อ๋อกลับมาแล like ้วเหรอเทวมิตะไปพูดกับพวกนิครนได้ความว่ายังไงบ้างพวกนิครนไม่ยอมเขายืนยันให้เราส่งผู้แทนไปโตวาทีกับเขาในบ่ายวันนี้ให้ได้ถ้าเราไม่ส่งผู้แทนไปโตกับเขา เขาจะถือว่าเรายอมแพ้แล้วจะประกาศไปทั่วเมืองว่าฝ่ายพุทธบริษัทยอมแพ้เขาแล้วเอาละอาตมาจะไปโต้กับเขาเอง๊ปออ๊ออท่านจะไปได้ยังไงแม้แต่จะลุกขึ้นก็ไม่ไหวนอนเถอะอย่าไปเลยถ้าท่านเรวัตตาไม่ไปแล้วใครจะไปก็นั่นนะสิพวกเราก็แพ้เท่านั้นเอง ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าการโต้วาทีวันนี้ทางฝ่ายนิคารนได้ให้ติถปาละเป็นผู้แทนขึ้นโต้ติถปาละผู้นี้เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีความรู้ความสามารถเป็นรองวีรสีหะข้าพเจ้าเองก็ได้ศึกษาปฏิบัติมาในสำนักของพระเถระนานแล้ว เชื่อว่าพอมีความรู้ความสามารถพอที่จะตอบโต้ติถาปาละได้ถ้าท่านทั้งหลายไม่ขัดข้องข้าพเจ้าจะขอรับอาสาเป็นผู้แทนชาวพุทธขึ้นโตวาเทกับติถาปาละซะเองข้าพเจ้าเห็นด้วยดีกว่ายอมแพ้ไม่ส่งใครไปเลยข้าพเจ้าก็ว่าอย่างนั้นถ้าท่านเทวมิชนะก็เป็นการยกฐานะของชาวพุทธให้สูงขึ้นแสดงว่า ลำพังเคลหัดก็ยังสามารถเอาชนะนักบวชได้แต่ถ้าแพ้ก็ไม่เสียหายอะไรใช่เป็นอันว่าให้ท่านเทวามิตรไปโต ว, วาทีแทนท่านสมณนะ มาโตวาทีวันนี้ก็หวังจะได้ประคารมกับพระเรวตะเถระผู้เสมอด้วยเพศด้วยศีลพลดด้วยสติปัญญาและความรู้หรือถ้าเรวตะเถระป่วยจริงก็น่าจะทรงพระภิกษุผู้ทรงศีลมาสู้กับขพเจ้าแต่นี่กลับทรงคารุหัดผู้ยังคลุกคลีด้วยบุตรปัญญาผู้ยังบริโภคกามขึ้นมาต่อสู้สงครามวาทะกับขพเจ้าเหมือนกับว่า เป็นการดูหมิ่นเหยียดยามข้าพเจ้าอย่างร้ายแรงที่สุดในชีวิตพอได้ทราบข้าพเจ้าเกือบไม่ยอมลดเกียรติตัวเองมาเผชิญหน้ากับท่านแต่ในไหนท่านก็ขึ้นสู่ธรรมาทตาแล้วถ้าข้าพเจ้าจะลงจากธรรมาทิติไปเสียก็น่าสงสารเห็นใจบรรดาประชาชนผู้ตั้งใจมาฟังไปนั่นว่าข้าพเจ้าจะยอมสู้กับท่านแต่จะสู้ด้วยความรู้ปัญญาและเพียงครึ่งเดียวของข้าพเจ้าเท่านั้น ท่านผู้เจริญท่านยามูพูดอ้อมค้อมให้ชักช้าอยู่เลยท่านอยากถามอะไรก็ถามมาเถอะเขาพระเจ้ากระหายอยากจะโต้วาทีกับท่านเต็มทีแล้วได้สิอุบาสกเขาพระเจ้าจะถามท่านเพียงปัญหาเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้การโต้วาทีก็จะดําเนินต่อไปแต่ถ้าว่าท่านตอบไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสนทนากันปัญหาที่ขพเจ้าจะถามนี้ไม่ใช่ปัญหาลึกซึ่งเกี่ยวกับลัทธิของเราทั้งสองแต่จะเป็นปัญหาสําหรับทดสอบภูมิธรรมของท่านดูเท่านั้นท่านจะมีภูมิธรรมสมควรจะสนทนากับขพเจ้าหรือไม่เชิญท่านถามปัญหามีวัตถุอยู่สิ่งหนึ่งคนทําไม่อยากใช้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ไม่รู้เรื่อง สิ่งนั้นคืออะไรตอบสิอุบาสกนิ่งอึ่งตอบไม่ได้ใช่ไหมปริศนาทำ ง, ง่ายๆเท่านี้ท่านก็คิดไม่ออกออแล้วท่านจะมาตอบโต้ในหลกักธรรมอันลึกซึ้งนในศาสนาของเราทั้งสองได้ยังไงข้าพเจ้าขออำลาท่านไปก่อน เมื่อพระเลวตาเทระหายป่วยแล้วให้มาโตกับข้าพเจ้าก็แล้วกัน ใจไปเลยเทวมิตรแต่ข้าไปเจ้าพ่ายแพ้กลับมานั่นก็ไม่ได้นำความเสียหายมาให้แก่พุทธบริษัทเพราะท่านเป็นเพียงคารุษะส่วนคู่ต่อสู้เป็นบรรพชิตผู้แตกฉานในธรรมการที่ติดทปาละหยุดการโตวาทีลงอย่างปัจจุบันทัน ด, วด่วนแม้จะเป็นการหักหน้าเราอยู่บ้างแต่อัตามาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเรา เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเรายังไงท่านผู้เจริญเพราะเขายังไม่ได้ถามปัญหาลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมในศาสนาของเราหรือของเขาถามเพียงปริศนาข้อเดียวเท่านั้นจึงยังไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนเป็นอันว่าเวลานี้ฝ่ายเรายังคงนำหน้าเขาอยู่หนึ่งคะแนนจึงอย่าไปคิดอะไรให้มากเลยข้าพเจ้าเป็นคนใจร้อนพอถูกเขาย้านิดหน่อยก็เกิดโธสั เพราะไม่เคยต่อการโต้วาทีอีกอย่างหนึง่งไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะถามปริศนาเช่นนั้นจึงไม่ได้เตรียมต่อปริศนาไว้พอถูกถามปริศนาจึงงงไปหมดคิดอะไรไม่ออกรู้สึกเป็นปริศนาที่ลึกลับซะด้วยข้าพเจ้าเองยังตีความหมายไม่ออกจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงมลึกลับ <laughs> ความจริงปริศนานี้ไม่ลึกซึ้งเกิดไปนักหรอกแต่ผู้ถามถามโดยโวหารสำนวนอย่างฉลาดเราจึงคิดไม่ออกอัตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรอะไรเหรอท่านผู้เจริญสิ่งที่พูดทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ไม่รู้เรื่องง่ายนิดเดียวก็คืออะไ ร, รอะท่านก็โลงศพไงละ่ะ ได้ทราบอาการเจ็บป่วยของท่านด้วยความเห็นใจและสงสารยิ่งเมื่อเห็นท่านแบกสังขารอันร่วงโรยเพราะโรคภัยมาต่อสู้กับขพเจ้าในวันนี้ก็ยิ่งเกิดความสงสารมากขึ้นขพเจ้าเกือบจะไม่มาสู้กับท่านเพราะเห็นว่าข่าวต่อสู้กับท่านวีราสีหะท่านก็ล้มเจ็บซะแล้วทหารมาสู้กับคนชั้นขพเจ้าท่านอาจจะถึงแก่มรณะกรรมก็ได้ ท่านติด <divide> ป <sponge> <cake Sounds> ่านะข้าพเจ้าขอบคุณที่ท่านแสดงความเป็นห่วงแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้าหายเกือบเป็นปกติแล้วแต่หลังจากโตวาทีกับท่านวันนี้ข้าพเจ้าก็คงหายดีเป็นปกติเพราะข้าพเจ้ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือครั้งใดได้โต้วาทีกับคนที่อ่อนกว่าในเชิงปัญญาและคารมเขาพระเจ้าจะล้มเจ็บเสมอแต่คราวใดได้โต้วาทีกับคนที่มีความรู้ปัญญาและวาทะเสมอกันเขาพระเจ้าจะรู้สึกสบายเป็นอย่างยิ่งวันนี้เชื่อว่า ท่านคงไม่ทําให้ข้าพเจ้าต้องล้มป่วยอีกข้าพเจ้าเป็นคนใจร้อนทําอะไรอยากให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็วฉะนั้นการโต้วาท oh. ีในวันน <um ี้ข <Yes, ้าพเจ้าจะถามปัญหาข้อหนึ่งกับท่านและจะสักไซร่ไล่เลียงเพิ่มเติมบ้างถามเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้เป็นที่พอใจก็ขอให้ท่านเป็นผู้ชนะไป ถ้าท่านตอบไม่ได้หรือจนต่อเหตุผลของขพเจ้าก็ขอให้ขพเจ้าเป็นผู้ชนะท่านตกลงหรือไม่ท่านติดตภปัละการถามเพียงประโยคเดียวน่ะอาจจะเป็นการเสียเกินไปสำหรับท่านเพราะถ้าท่านแพ้ท่านก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเพื่อให้ท่านมีโอกาสแก้ตัวขพเจ้าอนุญาตให้ท่านถามสามประเด็นติดต่อกันถ้าขพเจ้าจนต่อเหตุผลของท่าน แม้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้าพเจ้าจะยกคะแนนถวายท่านสามคะแนนเลยทีเดียวท่านจะตกลงไหมไม่ตกลงข้าพเจ้าจะขอถามประเด็นเดียวเชิญท่านถามปัญหาบิดากับมารดาใครมีบุญคุณแก่บุตรมากกว่ากันก่อนที่จะตอบปัญหานี้ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านรู้คําตอบปัญหานีแล้วหรือยังรู้แล้วเอาถ้าอย่างนั้น ท่านเรียกคนมาสามคนเป็นผู้แทนชาพุทธคนหนึ่งเป็นกลางคนหนึ่งเป็นนิคารนคนหนึ่งและท่านกระซิบบอกกับคนทั้งสามนั้นทีละคนโดยไม่ให้ข้าพาเจ้าได้ยินเพื่อให้คนทั้งสามเป็นพยานข้าพาเจ้าจะตอบให้ตรงกับคําตอบของท่านตกลง เจ้าได้ทําตามที่ท่านต้องการแล้วท่านเรวทตาเชิญท่านตอบปัญหาของข้าพเจ้าก่อนอื่นข้าพเจ้าขอย้อนถามท่านสัก่อนว่าบุญคุณเป็นสิ่งที่เกิดมีเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่คนต้องกระทําขึ้นมาคนต้องกระทําขึ้นถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอตอบปัญหาของท่านว่าใครทําบุญคุณมากผู้นั้นมีบุญคุณมาก มิดาหรือมารดาไม่สำคัญอ้าวนั้นท่านจะไปไหนล่ะท่านติดตะปาละข้าพเจ้าจะอยู่ทำไมในเมื่อข้าพเจ้าแพ้ท่านแล้วนะ ไม่ได้แล้วต้องรอถึงเช้าวันพรุ่งนี้อ้าวร้องไห้ทําไมเลยลูกแค่เราวไม่อกเข้าไปในเมืองเดี๋ยวนี้อยากไปเห็นบ้านใจจะขาอยู่แล้วไม่มีทางใดที่จะเข้าไปได้เลยใช่หรอไม่มีทางอื่นอีกแล้ว <c oughs> นอกจากจะรอถึงพรุ่งนี้เช้าอย่าร้องไห้สิลุก นั่นใครตรงเสียงอยู่ที่หน้าประตูน่ะ <S <S ท่านนายประตูใครใครมายืนอยู่หน้าประตูเมืองทําไมถ่านนายประตูข้าพาเจ้าเป็นพ่อค้าเกวียนเดินทางมาจากกรุงพระณสีแล้วกองเกวียนอยู่ที่ไหนกันละ่ะครับข้าพาเจ้าตั้งพักไว้ที่ทุง่งนาใกล้ๆ ก, กับประตูเมือง น, นี้ พร่งนี้ท่านจะนําสินค้าเข้าไปขายในเมืองแล้วท่านมายืนอยู่ที่นี่ทำไมกันฮะข้าพเจ้ามีญาติสนิทอยู่ในเมืองและมีธุระจําเป็นจะต้องไปพบให้ได้ในค่ำวาันนี้ท่านจะกรุณาเปิดประตูเล็กอนุญาตให้ข้าพเจ้ากับคณะเข้าไปพบญาติจะได้หรือไม่ไม่ได้ผิดกฎนครบาลไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องรองอ้องเออท่านนายปรปตูข้าพเจ้ามีเด็กน้อยมาด้วยคนนุณ เธอเป็นลูกของญาติข้าพเจ้าที่อยู่ในเมืองเธอจากมารดาไปอยู่กับพเจ้าติดกรุงพระนรสีเป็นเวลานานแล้วเธออยากจะพบมารดามากทีเด็ดถ้าท่านไม่กรุณาข้าพเจ้าข้าขอได้โปรดเห็นใจและสงสารเด็กด้วยเถิดขพเจ้าเห็นใจท่านแต่ท่านก็ควรเห็นใจข้าพเจ้าด้วยขพเจ้าเป็นเพียงเจ้านาทีผู้น้อยปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นไม่มีอำนาจจะเปิดปิดประตูเมืองตามอำเภอใจได้ ถ้าข้าพเจ้าขืนเปิดปิดผิดเวลาเจ้านายรู้เข้าข้าพเจ้าก็จะถูกหลงอาญาอย่างหนักอาจถูกจองจําในพันธนาการก็ได้ขอให้ท่านคิดดูก่็แล้วกันว่าถ้าเหตุร้ายเช่นนั้นเกิดขึ้นบุตรพระนยาข้าพเจ้าจะไม่อดตายหรอท่านพูดถูกข้าพเจ้าเห็นใจเห็นใจก็ไม่กวนเส้าสิข้าพเจ้าขอถามท่านอีกสักครั้งจะได้ไหมถามมาได้เลยเวลานี้เจ้านายของท่านอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่า ไม่อยู่นะแต่จะกลับมาตรวจเป็นครั้งคราวถ่านเฉินนั้นอะไรของท่านท่านอยากได้เงินสิบกหาปหน่ะไหมใครบ้างไม่อยากได้จำนวนไม่ใช่น้อย <c oughs> พูดบบาวกว่า น, นี้หน่อยหมายความว่าท่านเงินจำนวนนี้จะเป็นของท่านทันทีถ้าประตูเล็กเปิดให้กัปเจ้ากับคณะเข้าไปตกลงไหมให้สินบนเจ้าหนาทีแล้วไม่มีทางประตูเล็กจะเปิดออกเดี๋ยวนี้รีบเข้าเร็ว ก็เข้ามาในเมืองได้ด้วยเงินจํานวนสิบกหาพนนะ ด, ด, ดีใจไหมลูกเราดีใจมากอยากกันได้อบแม่แล้วยดอดรถมอโยดที่โน้ตปราสานั้นปราสาทนี่เนี่ยเหรอที่รู้ว่าเป็นปราสาทของลูกถูกแล้วปราสาทนี่ล่ะเรานี่เคยอยู่มาก่อนจากไปที่น้นดูเหมือนจะสุดโทรมไปอ้า แล้นั่ลูกจะวิ่งไปไหนล่ะรัตตปาณีจะไปสั่งระดิ่งที่ประตูปะเดี๋ยวไอ้กจ้ากูรีลาวดีก็จะได้พบมาแล้วงงงงไปหมดแล้วดีลาวดีสั่งกระดิ่งที่ประตูใหญ่ไม่รู้ว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นการเพ้อพกไปเองก็ได้โดยที่ไม่มีความจริงอะไรเลยรัตตปาณีก็เป็นรัตตปาณี ไม่ใช่รีลววาวดีอย่างที่เขาใจประตูใหญ่เปิดแล้วผู้ที่เปิดเป็นหญิงกลางคนดูลูกจ้องมองนางอย่างจริงจังนันท่านันทาอะไรกันเนี่ยเธอเป็นใครทำไมเรียกชื่อฉันถูกเธอจำฉัาไม่ได้หรอกเหรอฉันรีลาวดีลล่ะรีลาวดีไหนรีลาวดีที่เคยอยู่กับเธอที่นี่เธอรับใช้ฉันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา จำได้อย่างนั้นทธอไม่ใช่ลีลาวดีนายหญิงของฉันตายไปแล้วไม่ใช่เธอใช่สิเธอจำฉันไม่ได้จริงๆนั่นแหละม่ฉัอยู่ที่ไหมฉันจะไปหาแมาเ่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอย่าข้องใจอะไรกันเนี่ยอย่ามัวสงสัยอยู่เลยรีบตามไปดูเร็วเถอะเดี๋ยวก็ได้รู้ได้เห็นอะไรหรอกไป อะไรกันใครประกอดขาลูกแอนใช่ไหมลูกแอนลูกลูกใครเอ๊ะแล้วนั่นใครกัน <c oughs> ท่านทั้งหลายเป็นใครบอกฉันด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่ทาลูกไม่ได้เหรอลีลาวันดียังไงล่ะลีลาดีจ๋าลูกลีลาวันดี ลูกกลับมาเยี่ยมแม่แล้วและจะอยูกับแม่ตลอดไปรีราวดี <c oughs> เป็นไปไม่ได้รีราวดีลูกสาวของฉันไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆอย่างนี้รีราวดีเป็นนางฟิกษุณีและตายไปเกือบสิบปีแล้วแม่จำลืมไม่ได้แม่ลืมล ก, กัแล้วไม่เข้าใจเลย <c oughs> ทําไมถ <c oughs> ึงเป็นอย่างนี้ นี่ษษท่านเป็นใครมาจากไหนเหตุการณ์ทั้งหมดนีอหมายความว่าอย่างไรช่วยให้ความกระจ่างแก่ฉันด้วยฉันงงไปหมดแล้วข้าพเจ้าชื่อเมตียะเป็นหัวหน้าพ่อค้ามาจากเมืองพราราณสีเวลานี้ตั้งกองเกวียนไวน้วนอกประตูเมืองเด็กหญิงคนนี้ชื่อรัตตปานีเป็นธิดาของข้าพเจ้าเองแล้วทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ละ่ะคือว่ามีอะไรหลายอย่างที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับเธอ ตั้งแต่อายุได้สามหรือสี่ขวบเธอไม่ยอมให้ใครในบ้านเรียกชื่อรัตตปาณีแต่ให้ทุกคนเรียกว่าลีลาวดีให้ทุกคนเรียกว่าลีลาวดีถูกแล้วเธอเล่าให้ขเจ j a ฟังว่าในชาติก่อนเธอเกิดเป็นลูกสุ ม, มังคะระเฤรือหาบดีแห่งกรุงสาวัตถีแต่บิดาของเธอได้ตายไปนานแล้วยังเหลืออยู่แต่มารดาเธอเฝ้ารบเร้าวิงวอนขเจ j a ให้พามาเยี่ยมแม่ที่กรุงสาวัตถีแทบไม่เว้นแต่ละวันข้าพเจ้ายังไม่มีเวลาจึงได้ผักผ่อนเรื่อยมาจนกระทั่งปีนี้เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังสักทีจึงได้พาเธอมาท่านพาเธอมาแล้วท่านเห็นเป็นอย่างไรทุกอย่างปราศจากข้อสงสัยหมายความว่าเธอคือลีลาวดีในอดีตแน่แน่ ใ่ท่า น, แ, นแล่ใจล้ว่าเธอคือรีลาวดีข้าพระเจ้าแน่ใจเพราะอะไรท่านถึงได้แน่ใจว่าเป็นรีลาวดีเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ประจักษ์กับสายตาครั้งแรกกขบวนเกวียนของเราผ่านพระเชตวานารามเธอก็เท้่ยงข้าพเจ้าดูและออกชื่อได้ถูกต้องซ้ำยางบอกอีกว่าเรวัตตคนรักของเธอเคยอยู่ที่พระเชตวานารามและขณะนี้อยู่ที่กรุงราชกุศ เเท่านนั้องไม่ใช่เท่านี้เย็นวันนี้เองพอเราเข้าประตูเมืองมาได้แล้วขึ้นรถมาเธอเองเป็นคนบอกให้นายสารถีเลี้ยวรถไปตามถนนต่างๆจนมาถึงคฤหาสน์แห่งนี้ข้าแต่แม่เจ้าพอข้าพเจ้าเปิดประตูรับเธอก็ตรงเข้ามากอดข้าพเจ้าแล้วก็เรียกชื่อข้าพเจ้าได้ถูกต้องอย่างทันทีจนข้าพเจ้างงไปหมด เพียงเท่า น, นี้ก็เชื่อได้แล้วใช่ไห ม, มว่าเธอคือลีลาวดีลีลาวดีลีลาวดี ล, ลูกเอ๊ะแม่ดีใจอย่างที่สุดที่ได้พบกับลูกของแม่อีก ถึงแม้เจ้าจะมีรูปร่างและอายุผิดไปจากเดิมอย่างมากมายแม่ก็รู้ดีว่าดวงวิญญาณของเจ้าเป็นลีลาวันดีลูกของแม่คนเดิมนั่นเองตั้งแต่เจ้าบวชเป็นภิกษุดีและเดินทางไปสู่กรุงราชเกลือกลางนั้นแม่ก็ตั้งตาคอยการกลับมาของลูกในความเป็นห่วงกังวล ต่อมาภายหลังไม่เข้ามาว่าลูกเด็กตายซะแล้วที่กรุงรา จ, จะรึแม่ก็หมดความสุขหมดความสุขสมราในใดในชีวิตใช้ชีวิตได้ผ่านพ้นไปวันๆกับนันทาทาผู้เือสัตว์กองแม่ทุกทีกรอกดิ ดพ่อของเจ้าได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้มากมายจึงไม่ลำบากกับการคล้องที่ความสุขย่างเที่ยวที่แม่ได้รับก็คือสละทรัพย์บำเพ็ญบุญแล้วอุทิศควนกุศลให้พ่อของเจ้าให้ชายเสนและให้เจ้าเองบัดนี้แม่เชื่อสิรแล้วว่า คนเราตายแล้วเกิดแน่ความตายย่อมไม่มีความหมายสำหรับความรักความผูกพันแนบแน่นระหว่างเราได้วันนี้แม่มีความสุขที่สุดที่ได้พบลูกของแม่อีกและจะมีความสุขมากขึ้นถ้าพ่อของเจ้าและใจเส้นพี่ชายเจ้ากลับมาแบบเดียวกับเจ้าอีกแม่จ้ะ กูอยากจะเดันดูให้ทั่วบ้านมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรตัออะไรจะมาเปลี่ยนแปลงไปหมดลูกเอ้ยเอาสิอยากจะไปดูอะไรกาไปนั่นทาเจ้าไปเป็นเพื่อนลูกของเราด้วยนะไปสิคะหนูรีลาวดีอ๋อต้องขอขอบคุณท่านเมติยะ ได้ช่วยนําลูกสาวองณกาบเจ้ากลับมาขอเชิญท่านพักพ่อยู่ที่นี่ตามสบายนะคารือหาดกว้างขวางมีคนอยู่เพียงไม่กี่คนขอให้ท่านถือว่าเราเป็นญาติสนิทต่อกันเพราะเราก็ได้เป็นพ่อแม่ของลูกสาวคนเดียวกันแล้วขอท่านอย่าได้เกรงใจเลยขอบคุณท่านมาก แต่ขเผ่เจ้าเห็นจะรับความเอื้อเฟือของท่านอยู่ที่นี่นานไม่ได้ทุ่งนี้เช้าจะต้องออกไปควบคุมดูแลกองเกวียนที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองจํานวนร้อยแต่ระหว่างนี้ท่านจะเล่าเรื่องของดีลาวดีให้ขเผ่เจ้าฟังสักหน่อยได้ไหมได้สิท่านไมตรีขเข่าเจ้าจะเล่าให้ฟัง ของรีลาวดีเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเราให้ฟังนี่แหละท่านเมตียะแล้วเวลานี้พระเรวตตายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันเวลาร่วงมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าไม่เคยได้ข่าวคราวจากเข า, ข า, ขาเลยท่านคิดว่ารีลาวดีจะลืมเรวตต์ได้ไห ม, มคิดว่าจะลืมไม่ได้นะเวลานี้เรวัตต์พิขุ มีอายุสักเท่าไรเข้าใจว่าสักสามสิบเจ็ดหรือสามสิบแปดนี่แหละถ้าอย่างนั้นคงไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอีกเพราะอายุแตกต่างกันมากและอีกประการหนึ่งพระเรวัตต์อาจจะเดินทางจากกรุงราชคฤึ้ไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือไม่บางทีบางทีอะไรล่ะท่านมเมตียะเรวัตต์อาจจะตายแล้วก็ได้ ห, <า>หรือแต่ยังไม่ตายก็พระเจ้าก็เชื่อว่าลีลา ว, วดีกัเรวัตต์ คงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกไม่แน่นักนะท่านนะถ้าพระเรวัตตะด้ขาวลีราวดีเกิดใหม่เขาจะต้องเดินทางมาพบแน่นอนหรือไม่ก็ลีราวดีอาจจะรบเราให้เราพาไปกรุงราชคฤชก็ได้เราคอยดูกันต่อไปก็แล้วกัน <c oughs> ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ที่ได้พักอยู่ที่นี่แล้ววันนี้นางคริหาปัตตานีได้ทําบุญเลี้ยงพระสงฆ์จํานวนห้าร้อยรูปเป็นการเลี้ยงฉลองความยินดีลีลาวดีมีท่าทางร่าเริงมากทีเดียวแต่ก็น่าแปลกระหว่างที่พระสงฆ์ฉันพัตตาหารลีลาวดีได้เข้าไปดูหน้าพระองค์ น, นั้นองค์นี้อย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะค้นหาใครสักคน แล้วไปหยุดอยู่ที่หน้าพระภิกษุชราซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าถ้าคุณเจ้ารู้จักพระเลวตาไหมคะพระเลวตาองค์ไหนภิกุชื่อไรวตะหลายองค์พระเลวตาที่เคยเป็นโจนรตามมาภายหลังได้อุปสมบทและจำบรรษาที่พระเจตาวนารามแล้วก็ได้ไปอยู่กรุงราชเชื้ อ, อยังไงล่ะคะ พระคุณเจ้าโอพระเรวัตรูปนั้นอาตมารูจา้จักพระคุณเจ้ารู้จักเรวตะเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก่อนเข้าพรรษาปีนี้มีพิกษุโรปหนึ่งมาจากกรุงราชจักคืบอกว่าท่านเรวัตะเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่พระเวลุวานารามในกรุงราชจักคืแม่จ๊ะ แล้ววัดตายอยู่ที่กรุงรัชเคราะห์แล้ววัดตายยังอยู่ที่กรุงรัชครไม่ต้อง า, าว้กันะ นี่ชือเสียงท่านเลวัตต์แผ่กระจายไปทั่วกรุงและตามชนบทใกล้เครียงใครๆก็พูดถึงท่านเลวตัตต์ทาไมจะไม่รู้เรื่องนี้เคยใครก็รู้และไม่ใช่รู้แค่นี้นะยังรู้อีกว่าพวกนักบวชที่แพ้ท่านเลวตัตต์ต่างอิจฉาและพยาบาตท่านเลวตต์ไปต่ามๆกันในจํานวนนี้มีตปดาสันชัยเวรัตถบุตรด้วยศระดาสันชัยตะตะ